พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดทอดพระเนตรเห็นนายมาลาการก็ทรงทําอาการแย้มให้ปรากฏพอมองเห็นก็ยิ้มเลยนะพระนลเทระก็ทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มแย้มด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไม่ทรงแย้มให้ปรากฏคือหมายค่าว่าถ้าคนจะยิ้มสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมจึงยิ้มจึงหัวเราะจึงอะไรกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมพระองค์จึงแย้มพระนนก็เลยถาม พรองตัดต่อว่าอนนท์นายมาลาการผู้นี้จัดท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แสนกับด้วยอนุภาพของการบูชานี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้านามว่าสุมนิสระนะเพราะหเนี่ยผลของการบูชาครั้งนี้อีกแสนกับเขาจะได้เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็ระหว่างนี่ไม่ไปอบายเลยมันจะไปแต่ในมนุษย์และเทวดา และพระองค์ก็ตรัสเป็นพักคาในคาถาธรรมบทว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังบุคคลดีใจเอิบอิ่มเนี่ยนะแล้วสเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วดีเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นบุญนั่นแหละทำแล้วไม่ต้องเสียใจในภายหลังกรรมที่เป็นบุญจึงควรทำอย่างยิ่งกรรมที่เป็นบุญนั่นแหละ หรือบุญกรรมเนี่ยนะทำเสร็จแล้วก็ได้รับความสุขสเสวยผลในภายหลังกรรมที่เป็นบุญนั่นแหละควรทําจริงๆเนนะแต่กรรมที่เป็นบาปไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากรรมที่เป็นบาปพอทําเสร็จแล้วไงเดือดร้อนใจในภายหลังแล้วก็ตอนหลังก็ต้องสเสวยผลอันเป็นทุกข์อีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นบาปจึงไม่ควรทําโดยประการทั้งปวงแต่กรรมที่เป็นบุญเนี่ยนะควรทําเพราะทําแล้วไม่วิตติสารในภายหลังทําแล้วก็เสวยผลที่ดี ในคาถานี้พระองค์ตรัส จ, จบสัตว์ 84,000 พันก็ได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเหล่านั้นแม้เล็กน้อยเพิ่งทราบ ว, ว่ามีประโยชน์สุขตลอดการระยาวนานด้วยประการดังนี้เนี่ยนะขนาดถวายแต่ดอกไม้อย่างนี้นะก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปมหาศาลก็การบูชานั้นเป็นอมิตรบูชาเนี่ยนะขนาดเอาดอกไม้เอาของหอมเนีย่ยนะเอาดอกบวบขมเอา ดอกไม้ทั้งหลายและนยดอกฝายไปบูชาเนี่ยก็ยังมีผลมหาศาลได้รับบุญกุศลเนี่ยนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏบิบัติบูชาว่างั้นเพราะกุลบุตรเหล่าใดบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการรับสารณคมเนี่ยนะ วิธีปฏบิบัติบูชาก็คือ ก, อรการรับไตรสรณคมเนี่ยนะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะการถึงพระธรรมเป็นสรณะการถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยเป็นมงคลหมดเลยนะครับอย่างในคุถกะปาฐะที่เราพูดถึงมาแล้วเนี่ยนะการถึงไตรสรณคมก็เป็นมงคลการถือสิกขาบทเนี่ยนะการรักษาศีลก็เป็นมงคลเนี่ยนะสิกขาบทแปดสมมาทานอุโบสถเนี่ยนะก็เป็นมงคลหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่เจริญสมถะเจริญวิปัสนาแต่และอย่างเหล่านั้นก็เป็นมงคลหมดเลยเนี่ยนะการที่กล่าวไปแล้วนะดังั้นการปฏิบัติบูบชาแบบนี้เนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งทำด้วยจตุปาริสุทิสินใครเล่าจาักพันณนาผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้นะนะคุณธรรมตั้งแต่การถึงไตสรสารนคมเป็นต้นมาเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเหล่านั้นใครจะบอกว่าโอ้โหนี่มีผลขนาดนั้นขนาดนี้นะเพราะว่ามีผลหาประมาณไม่ได้ด้วยว่ากุลบุตรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรว่าดูก่อนอนุ์ผู้ใดแลไม่ว่าเป็นพิสุเป็นพิสุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบอย่างยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นเชื่อว่าสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงนอบน้อมพระตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยม นี่แหละจริงจะเชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างแท้จริงหลังนั้นด้วยการปฏิบัติบูช า, า, helmet, USSR, าความที่การบูชาแม้ พ, พระปัเจกับพุทธเจ้าและพระอริยสาวกนำมาซึ่งประโยชน์สุขเนี่ยนะก็ทราบแนวนี้การบูชาพระปัเจกับพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าในเรื่องรัตนสูตรเนี่ยนะก็จะมีผลของการบูชาพระปเจกับพุทธเจ้า ส่วนบูชาพระอริยาสาวกทั้งหลายก็พึงศึกษาเอาเช่นประวัติของนายปุณณะเศรษฐีเป็นต้นนั่นแหละอันหนึ่งสำหรับขรรค์เนี่นะคารวะ ท, ทั่วไปเนี่ยนะบุคคลที่ควรบูชาของคารวะทั่วไปเช่นผู้ที่เจริญที่สุดเช่นพี่ชายพี่สาวเนี่ยนะก็ชื่อว่าบุคคลที่ควรบูชาของน้องเนี่ยนะถ้าน้องก็ควรบูชาพี่พี่ทั้งหลายทั้งพี่สาวพี่ชายก็เป็นคนที่ควรบูชา พ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาสำหรับลูกทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสามีถือพ่อผัวแม่ผัวก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาของกุลสตรีทั้งหลายเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแม่เหล่านั้นเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะนับว่าเป็นกุศลเนี่ยนะเป็นกุศลเพราะเป็นเหตุให้เจริญด้วยอายุเป็นต้นอนะ ที่พระ อ, องค์บอกว่าอภิวาทนาสีลิสนิตจังพุทาปจายโนจัตตรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยนะบุคคลที่มีปกติกราบไหวบุคคลที่เจริญหรือว่าบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะก็จะเจริญด้วยอายุวันนสุขพละและก็ยศเป็นต้นแล้วก็ที่อื่นพระ อ, องค์ยังตรัสว่าชนเหล่านั้นเนี่ยนะจะเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์ เป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลจักยังยึดถือในกุศลธรรมนี้ปฏิบัติก็จักเจริญด้วยอายุจักเจริญด้วยวันนะเพราะเหตุสมท า, านกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายก็จักเจริญอาศัยการเคารพการบูชาการนอบนอบเนี่ยนะพราะฉะนั้นทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะสรุปได้3อย่างเนี่ยนะมงคลทั้ง3ข้อเลยที่กล่าวไปแล้วคือการไม่คบคนพาณ 2. การครบบัณฑิตและก็สาการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยนะผู้ที่มีคุณธรรมควรแกการบูชาด้วยประการทางนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเท่ากับแสดงมงคลสาอย่างคือการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตและก็การบูชาบุคคลที่ควรบูชาสามอย่างเนี่ยนะทีนี้พอจะสรุปเป็นใจความว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยชื่อว่ามงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ ของโลกทั้งสองเนี่ยคือจะได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ด้วยคือไม่เสียชื่อเสียงในโลกนี้ในขณะเดียวกันก็เพื่อประโยชน์แห่งความสุขในโลกต่อไปเหตุป้องกันภัยมีการเกิดแต่คบคนพานเป็นปัจจัยเป็นต้นเพราะถ้าไม่คบกับเขาทุกโทษทั้งหลายที่จะเกิดจากการครบคนพานก็ไม่มีอันนี้จึงเป็นมงคลการครบบัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชาก็ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพาน นะและก็สุขติเพราะว่าผู้ที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ตั้งจิตเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เขาก็จะได้พ้นทุก์หรือผู้ที่คบบัณฑิตเมื่อคบใกล้บัณฑิตก็ได้ฟังธรรมของบัณฑิตเมื่อฟังธรรมของบัณฑิตก็ทรงจําแล้วก็สามารถที่จะไปประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้น ความเพิ่มพูนแห่งผลของการคบบัรดิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชาก็เหมือนอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นใจความสรุปในมงคลทั้งสามข้อที่กล่าวไปทีนี้มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะปฏิรูประเทสวาโสจะปุเพจกตปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนะเป็นคาถาที่สองนะคาถาที่สองนั้นก็คือ มีอยู่สามมงคลด้วยกันการอยู่ในประเทศอันสมควรนี่หนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนเนี่หนึ่งการตั้งตนไว้ชอบนี่หนึ่งสามอย่างนี้เป็นมงคลเลยเนี่ยนะบอกว่าในมงคลที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะเทวดาเข้ามาถามว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยพงก็ตรัสตอบก่อนนะสามงคลข้อแรกเหมือนน เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ยังแสดงต่อไปอีกเปรียบเหมือนคนใจกว้างถูกขอแต่น้อยก็ให้มากยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็เลยจะตรัสมงคลข้อต่อไปว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะประเทศที่สมควรจะได้กล่าวต่อไปคําว่าอัตตสัมมาปณิที่เนี่ยนะคาว่าอัตต์หรืออัตตาตรงนี้เนี่ยนะจิตหรืออัตภาพทั้งหมดนะเรียกว่าอัตตการประกอบไว คือการตั้งความปรารถนาของตนเอาไว้ชอบชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะการตั้งตนเอาไว้ชอบคือตั้งความปรารถนาเอาไว้ชอบซึ่งคําอธิบายจะกล่าวต่อไปส่วนใจความมีดังนี้ว่าคําว่าปฏิรูประเทศเนี่ยนะประเทศที่สมควรนี่หมายถึงณนะที่ใดบริษัทสี่ยังจาริกอยู่ยังบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นอยู่ นหวังฆาตศาสตร์คือคําสอนในพระไตรปิฎกยังรุ่งเรืองอยู่ประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศเนี่ยนะที่ไหนยังมีการให้ทานยังมีการรักษาศีลยังมีการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนที่นั่นชื่อว่าปฏิรูประเทศการอยู่อาศัยในปฏิรูประเทศนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งการทําบุญทั้งหลายเนี่ยนะของศรัทธาทั้งหลายเพราะถ้าได้ทําบุญก็อาศัยปฏิรูประเทศนี ถ้าไปอยู่บางประเทศอย่างในยุคนี้จะให้ทานก็ไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่มีประเพณีนะตามประเทศหลายๆประเทศเขาไม่ให้พระบิณฑบาตในประเทศเขาเนะี่ยเขาชื่อว่าถือว่าขอทานเพราะฉะนั้นแม้แต่จะให้ทานก็ยากบางประเทศที่จะฟังธรรมก็ไม่ได้เนี่ยนะเขาถือว่าไม่ใช่แบบลัทีิของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่แล้วสามารถบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสิบได้ นะหรือสา ม, มารถศึกษาประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้ประเทศแบบนั้นแหละเชื่อว่าปฏิรูประเทศถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลน่ะนะก็อย่างเช่นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะที่พุทธคยานะสมัยพุทธกาลเนี่ยตรงนั้นก็เป็นปฏิรูประเทศนะหรือที่พระองค์แสดงธรรมจักรนะหรือที่พระองค์แสดงยมกปาติหาร หรือสถานที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลกเนี่ยนะหรือที่พระองค์ประทับอยู่มีเมืองสาวัตถีเมืองราช ค, ครึกเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละแห่งเหล่านั้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยตรงนั้นเป็นปฏิรูปประเทศเลยนะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในปฏิรูปประเทศแบบนั้นในสมัยนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งการได้อนุตริยะหประการเนี่ยนะเช่นได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้ทัศนานุตริยาเนี่ยนะได้ฟังธรรมคาสอนก็เป็นสวนานุตริยาเนี่ยนะการได้ ปรพฤติปฏิบัติก็เป็นปาริจารยานุตริยะเนี่ยนะการได้ตามระลึกนึกถึงท่านก็เป็นอนุสตานุตรยะเนี่ยนะแม้แต่ศึกษาพระธรรมคําคสอนของท่านก็เป็นศิกขานุตริยะเพราะงะั้นการอยู่ในถิ่นฐานเหล่านั้นแบบสมัยนั้นก็เป็นอนุตริยะอย่างยิ่งเนี่ยนะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนเนะ่ยนะ เพราะว่าผู้ที่อยู่ในยุคสมัยที่มีพระปัเจกพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศัตว์เหล่านั้นก็จะได้อาศัยตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วก็มีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้านั้นการอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยพงจึงปรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งสมบัติทั้งสามประการอย่างนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็ นิพพานสมบัตินะถ้าไปเกิดอยู่ณนะสถานที่เหล่านั้นถิ่นเหล่านั้นเเพราะว่าถิ่นเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นถิ่นของบัณฑิตทั้งหลายเขาอยู่ไอถินไหนที่บัณฑิตเขาอยู่เนี่ยนะบัณฑิตเขาไม่ปล่อยให้เราตกต่ำหรอกเหือนหรือในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราได้ปัจจัยคือบัณฑิตก็สามารถให้เราเจริญกุศลธรรมได้อันนี้การอยู่ในประเทศที่สมควรนี่จึงเป็นมงคลนะ เพราะว่าอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยนะถ้าเขาไปฟังธรรมเข้าไปประพฤติปฏิบัติเขาก็จะชักชวนเราไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็เจริญนั้นสถานที่เนี่ยช่วยได้เยอะเนี่ยนะผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิรูปประเทศเนี่ยสาคัญมากเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่สปายะนะทีนี้มงคลข้อต่อไปก็คือปุเพกะตะปุญญาตาเนี่ยนะความเป็นผู้ทําบุญไว้ในการก่อนคือความเป็นผู้ปรารบพระพุทธเจ้า พระปัเจกับพุทธเจ้าและพระขีณาศพแล้วก็สร้างสมกุศลเอาไว้ในชาติที่ล่วงมาแล้วเชื่อว่าปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะคือทําบุญ โ, โดยปรารบพระพุทธเจ้าเช่นทําพุทธบูชาบูชาพระปัเจกับพุทธเจ้าบูชาพระอรหันต์ทั้งหลายสร้างสมกุศลไว้ในชาติก่อนๆมาอย่างนี้แหละเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาคนที่ทําบุญไว้ในปางก่อน คนที่ทำบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะความเป็นผู้ทำบุญไว้ในชาติก่อนเนี่ยนะย่อมให้บรรลุท่าอารหันต์เมื่อจบคาถาแม้สี่บทที่แสดงต่อพระพักของพระพุทธเจ้าพระปัเจคพระพุทธเจ้าหรือที่ฟังเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่ทำบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยนะฟังสั้นๆก็บรรลุทำได้อยู่แล้วนะ ก็มนุษย์ผู้ใดสร้างบารมีไว้มีกุศลโมลอันหนาแน่นมาก่อนมนุษย์ผู้นั้นทำวิปัสนาให้เกิดแล้วย่อมบรรลุธรรมะที่สิ้นอาสวะด้วยกุศลโมลนั้นนั่นแหละเหมือนพระเจ้ามหากปินะและอัครมเหสีพระเจ้ามหากปินาเนี่ยนะฟังธรรมรอบแรกเป็นพระโสดาบันฟังธรรมรอบที่สองบรรลุเป็นผ้ารหัน์เลยเนี่ยนะมเหสีเนี่ยฟังธรรมข้างเดียวก็บรรลุมรรคผลได้นะ เพราะฉะนั้นคนที่ทําบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติทำไม่ยากภาษาริบุตรเนี่ยนะพระโมกัลานะพระมหากัสปะพระนนทพระอ น, น, ระนุรุทธะพระมหากัจจายนะเนี่ยนะคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญที่ทําไว้ในปางก่อนศึกษาพระธรรมคําำคำสอนก็ไม่ยากอันของเราถ้าไม่ประมาทบุญที่ทําในชาตินี้นะชา ต, ติต่อไปเนี่ยนะ เกิดทันศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ยากเหมือนกันเพราะนั้นขอให้ตอนที่ทําในชาตินี้เนี่ยนะจะเป็นปุเพกะตปุญญตาของชาติต่อไปให้มันหนาแน่นหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่ทําบางๆเสร็จแล้วไปถึงชาติหน้าโอ้ยเอามันน้อยไปหน่อยแย่อเองนะบ่นเสียใจในภายหลังไม่ได้เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าผู้ที่ทําบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยนะเวลาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ยากเนี่ยนะ แต่เราก็คิดง่ายๆว่าออของเก่าอาจจะไม่ค่อยมีแต่ก็ทาชาตินี้ให้มันเป็นของเก่าของชาติต่อไปกนแล้วกันทีนี้มงคลข้อต่อไปก็คืออัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะหมายคำ ว, ว่าคนบางคนในโลกนี้ย่อมทำตนที่ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลตนที่ยังไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาตนที่ตรณีให้ตั้งอยู่ในจาฆะปัญทะจาฆะสัมปทา การตั้งตนดังกล่าวชื่อว่าอัตตะเนี่ยนะสัมมาปณิธีเนี่ยนะการตั้งตนไว้โดยชอบคือตั้งตนเพื่อที่จะที่ศีลไม่ดีก็ตั้งเพื่อจะรักษาศีล น, นะนะไม่มีศรัทธาก็ตั้งให้มีศรัทธาที่ไม่มีการบริจาคไม่มีการให้ไม่มีการเสียสละมีตรณีมัมชย์ระยะก็ตั้งเพื่อที่จะให้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะอยู่ในศีลอยู่ในศรัทธาอยู่ในจาคะเนี่ยนะอยู่ในสุตตะอยู่ใน ปัญญาท้งหลานเนี่ยนะการตั้งจิตเพื่อให้กุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธีเนี่ยนะก็คือตั้งอยู่ในศรัทธาศีลสุตะจาคะและก็ปัญญานั่นแหละชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งจิตไว้เพื่อให้ศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะที่เป็นมงคลเพราะ ละเวนที่เป็นไปในปัจจุบันและภายภาคหน้าและประสบอานิส ง, ตง์ต่างๆอย่างกัน น, นะเพราะว่าคนที่มีประกอบไปด้วยศีลเนี่ยนะถ้าละความทุศีลการผิดศีลเนี่ยมันเป็นเวนที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยนะแล้วก็เป็นเวนที่จะเป็นไปต่อในอนาคต ด, ด้วยเวนในปัจจุบันก็คือทุกโทษทั้งหลายแหละที่คนทุศีลได้รับอันนี้เรียกว่าเวนในปัจจุบัน ส่วนเวรในอนาคตคืออะไรก็คือการไปสู่อาบายทุคติวินิบาตอย่างเช่นถ้าการดื่มสุราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าผลต่อไปที่จะเศษเศษของกรรมก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดนะนะอันนั้นก็เป็นโทษของการผิดศีลผิดธรรมซึ่งจะได้กล่าวในมงคลอื่นๆเนี่ยนะมัชฌาปานาจาสัสญยมูเนี่ยนะการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งผ น, นคนที่ตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะจะมีอนิสงส์ต่างๆมากมายมหาศาล บางแห่งนี้พูดถึงว่าการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะมีคุณยิ่งกว่ามารดาด้วยซ้าไปเนี่ยนะเพราะคำว่าตนในที่นี้ได้แก่จิตนั่นเองการตั้งจิตไว้ชอบมีอุปการะคุณมากเพราะว่าโซดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยนะที่บรรลุได้ก็อาศัยการตั้งจิตเอาไว้ชอบนั่นเองอนะสรุปในคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะว่าปฏิรูปรเทสวาโสจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิทิจเตตัมมังกลมุตตมังเนี่ยนะ กล่าวไปสามมงคลคือปฏิยูปฏิรูประเทศการทำบุญไว้ในปางกรเ น, นี่ยนะหรือการตั้งจิตเอาไว้ชอบการตั้งตนเอาไว้ชอบอันนี้ก็เป็นมงคลทีนี้ขึ้นมงคลคาถาต่อไปนะคาถาที่สามว่าด้วยพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตจะสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตัมมังนะคาถานี่สี่มงคล ก็คือหนึ่งความเป็นพหูสูตรสองศิลปะเนี่ยนะความมีศิลปะสมวิเนที่ศึกษาดีแล้วสี่ก็วาจาสุภาษิตเนี่ยนะคำว่าความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะได้แก่ความที่ทรงไว้ซึ่งสุสัตตุศาสตนะ์อย่างที่ทรงพรรณนาไว้แล้วโดยเป็นต้นว่าเป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตตะเนี่ยก็คือ คนที่ทรงจาําพระไตรปิฎกได้นั่นเองนะหรือว่าคนที่ทรงจําได้มากเท่าไหร่ก็เป็นมงคลเท่านั้นแหละอย่างที่พระองค์ว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้มีสุตะมากคือสุตะได้แก่สุตะเคยะเยะวยากรณาคาถาอุทานิติพุทธกาชาตกะอภูต ธ, ธรรมเวทัละเนี่ยนะก็คือทรงทรงจำพระไตรปิฎกได้นั่นแหละชื่อว่าความเป็นพหูสูตรเอ่อความเป็นปหูสูตรหรือผู้ที่สามารถทรงจําพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะ เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอกุศลได้เนี่ยนะและประสบกุศลเนี่ยนะคืออกุศลก็สามารถละได้ข้อความที่ตัวเองเป็นพหูสูตรและกุศลธรรมทั้งหลายก็สามารถที่จะเจริญอย่างงอกงามต่อไปได้และเป็นเหตุทําให้แจ้งประมัทสัจจะตามลําดับนะการทรงจําพระธรรมคําสอนความเป็นพหูสูตรสามารถทําให้บรรลุพระนิพพานได้เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อริยาสาวกผู้สดับแล้วย่อมละอกุศลเจริญกุศลย่อมละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้เป็นสุขให้บริสุทธิ์นี่นะบริหารตนให้บริสุทธิ์อันผู้ที่สดับแล้วเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมแล้วเขาสามารถปฏิบัติได้หรือบางแห่งพระองค์ก็ยังตรัสอีกว่า ย่อมพิจารณาความของธรรมะทั้งหลายที่ทรงจำไว้คือทรงจำพระธรรมคำสอนได้แล้วก็เอามาพิจารณาธรรมะทั้งหลายย่อมทนการเพ่งพินิษของเธอผู้พิจารณาความอยู่คือเมื่อพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะอยู่เนี่ยนะธรรมะก็ทนเมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพินิษอยู่ฉันทะก็เลยเกิดเนี่ยนะคือมีฉันทะขึ้นเกิดฉันทะแล้วก็อุสาหะเมื่ออุสาหะก็ใช้ดุลพินิษ เมื่อใช้ดุลพินิษ์ก็ตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรก็ย่อมทาไม่แจ้งปรมัทสัจจะด้วยกายเนี่ยนะย่อมเห็นปลุทลุปลุโปร่งด้วยปัญญาคือสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความเป็นหูสูตรเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ไม่ต้องฟังเลยเนี่ยนะก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระ ปฏจเจ给他พุทธเจ้าส่วนบุคคลที่เหลือนี่ต้องอาศัยการฟังทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังแล้วสามารถทรงจําไว้ได้เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้พิจารณาเนื้อความเป็นต้นจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้พูดถึงความเป็นพหูสูตรในทางาศาสนาในทางคําสอนนะนะส่วนความเป็นพหูสูตรของครือข่าทั้งหลายก็หมายถึงพหูความเป็นพหูสูตรในสิ่งที่ไม่มีโทษอนะ อันนั้นก็เป็นประโยชน์ในโลกทั้งสองเหมือนกั น, น, น, นก็บอกว่าศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษแบบคารวาสอะนะคือไม่มีโทษในโลกนี้ไม่มีโทษในโล ก, โนโล ก, นโลกหน้าด้วยเป็นวิชาการที่เป็นไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อให้มีทรัพย์สินจะได้อาศัยพวกทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งการบริจาคทานเป็นต้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าต่อไป อันนี้ก็พูดถึงความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเนี่ยนะโดยเฉพาะพะหูสูตรทางาศาสนาด้วยแล้วเนี่ยนะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเลยเนี่ยนะแต่ถ้าความเป็นพหูสูตรแบบทางโลกก็เป็นมงคลเพราะให้ได้รับประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้านี้มงคลข้อต่อไปว่าศิลปะของครหัดและศิลปะของบรรปชีตนิพพานเลยเนี่ยนะสิบบรรจ้านี่หมายถึงศิลปะ ถ้าพูดถึงศิละปะของคารวาสก่อนนะศิละปะของคารวาสเช่นงานของช่างมณีงานช่างทองเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างแบบงานในอุกฤษหน่อยนะที่ไม่ทําร้ายชีวิตของสัตว์อื่นคือเป็นงานที่ไม่ต้องทําอาคุศลเลยนะเป็นงานที่ประกอบแล้วไม่ต้องไปทําบาปทำกรรมเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นศิละปะที่เป็นมงคลเนี่ยนะความรู้ท่าสมัยนี้ก็ในการซ่อมรถซ่อมเรือในการดูแลข้าวของที่ไม่มีโทษนะนะ ไม่ไม่ต้องไปคลุกคลีกับบาปอะไรเลยไม่ต้องไปทําตาณาที่บาปไม่ต้องไปทำปาาปมัทินาทานเนี่ยนะอ่าพวกงานประเภทนี้ความสามารถประเภทนี้ เ, เรียกว่าศิลปะถ้าหากว่าศิลปะอันนี้เนี่ยนะที่เป็นมงคลก็เพราะว่านํามาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้นี่นะชั้นต้นเลยนะไอ้ความมีศิลปะความมีฝีมือเหล่านี้เนี่ยนะเช่นในการเย็บปักถักร้อยเป็นต้นเนี่ยนะก็นํามาซึ่งประโยชน์โลกนี้ก่อน อันนี้พูดถึงค า, ารวาสนะนยถ้าเป็นบนรรพชิตล่ะก็การจัดทาสมณบริขามีการกะและการเย็บจีวรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในที่นั้นนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทำรายๆของสัพพมจารีไม่ว่าสูงต่ำเหล่าใดภิกษุเป็นผู้ขยันในกิจควรทำรายๆนั้นนะบางแห่งก็ตรัสอีกว่าเป็นนาถกรณธรรมนะเป็นธรรมที่ทาคือเป็นที่พึ่งนะน การที่มีศิละปะเนี่ยชื่อว่านาทะกรณะธรรมด้วยอันนี้เป็นศิละปะของนักบวชทั้งหลายศิละปะของบรรพชิตนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นประโยชน์สุขในโลกนี้ก็สามารถทำบริการใช้เองได้นะและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอาศัยศิละปะเหล่านี้ไปทาบุญทากุศลช่วยเหลือเพื่อนสาพพมจารีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในโลก ต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศิลปะนี้จึงเป็นมงคลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนมงคลข้อต่อไปนะคือวินัยเนี่ยนะวินัยโยจะเนี่ยน ะ, ะวินัยโยจะสุสิกิโตก็คือวินัยที่ศึกษาดีแล้วคําว่าวินัยนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนนะคือวินัยของค า, ารวาและวินัยของบรรพชิตคือนักบวช พูดถึงวินัยของคารวาสก่อนว่าวินัยของคารวาสได้แก่การงดเว้นจากอากุสุลกรรมบทสิบชื่อว่าวินัยของคารวาสวินัยของคารวาสนั้นครือหัดก็ศึกษาดีแล้วในวินัยเหล่านั้นคือในกุสุลกรรมบทสิบเลยน ะ, ะตาณาติบาศ งดเว้นจากปาณาติบาตอธทินนาทานการเมสุมิตรฉาจารไม่ว่าจะศึกษาให้ละเอียดละออโดยโดยธรรมะเนี่ยนะโดยโกทาศะโดยมูลโดยเวทนาโดยอารมณ์เนี่ยนะโดยกรรมโดยทวารเป็นต้นถ้าศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นประโยชน์สุขทั้งในโลกทั้งสองนี่นะด้วยไม่ต้องสังกิเลสคือความเศร้าหมองคือตัณหา ทูตจริญและก็ทิฏฐิอะไรเลยเนี่ยนะพอไม่ต้องไปเศ้ามองด้วยบา ป, ปรกรรมทั้งหลายเช่นบา ป, ปรกรรมคือทุจริญก็ไม่ต้องไปล่วงทุจริญทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจอะไรไม่ต้องไปเป็นสังกิเลตคือตัณหาได้แก่พวกอภิชาทั้งหลายไม่ต้องไปเป็นสังกิเลตคือทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรและเป็นมงคลเพราะว่ากําหนดคุณคืออาจาระเนื่องจากมีมัญญาคือกุศลธรรมที่งอกงามเนี่ยนะเพราะว่ากุศลกรรมบทนี้เป็นทางแห่งสุขติอยู่แล้ว อันนี้พูดถึงว่าวิคราว่าที่ศึกษากุศลกรรมบทสิบเป็นอย่างดีมาเนี่ยนะสามารถประพฤติปฏิบัติรักษาได้อันนี้เป็นมงคลส่วนวินัยของนักบวชเนี่ยนะของบรรพชิตทั้งหลายก็ได้แก่การไม่ต้องอาบัตเจดกองเนี่ยนะไม่เป็นอาบัตเจดกองก็คืออาบัตป ร, ราชิกสังขาธิเศธทุลใจปาจิตตีปฏิเทสนิยะทุกกฎทุกพาษิตธ์เนี่ยไม่ต้องไปเป็นอาบัตเหล่านั้นๆเนี่ยนะศึกษามาเป็นอย่างดี อันนี้ก็เป็นมงคลนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าถ้าวินัยของบรรพชิตได้แก่ปาริสุทธิ์ที่ศีลสีประการคือความบริสุทธิ์ของศีลสีอย่างคือปาติโมกสังวรอินทรียสังวรปัจจยาสานิสิตาศีลอาชีวปาริสุทธิ์ที่ศีนเนี่ยนะถ้าหากว่าพระภิกษุหรือบรรพชิตที่มีปาริสุทธิ์ทศีลสีประการเนี่ยนะวินัยของบรรพชิตที่ศึกษามาดีอย่างนี้เป็นมงคลเพราะ เป็นเหตุประสบสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนื่องจากศีลและธรรมเหล่านี้หรือกุศลธรรมเหล่านี้นะเป็นฐานรองรับปุโสโณธรรมชั้นสูงๆเนี่ยนะถ้าศีลเนี่ยก็รองรับสมถะรองรับวิปัสนาสมถะถ้าบําเพ็ญเพียรจนบริบูรณ์ก็สามารถทําฌานาจิตให้เกิดได้ฌานาจิตก็เป็นเหตุแห่งพรห ม, มโลกเนี่ยนะถ้าวิปัสนาถ้าบําเพ็ญพอกพูน พยายามจนภบับู์อาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนาก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นศีนี่นะเป็นศีลละนะเป็นคุณธรรมที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเป็นอย่างดีอันผู้ที่ศึกษาวินัยมาเป็นอย่างดีแล้วจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นมงคลเพื่อกุศลธรรมชั้นสูง